พอถึงมาสาลากฟนนลินถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งเทวดาหนึ่ท้องฟ้าก็ปล่อยชัยมงคลคาถาให้ได้ไงนี่แหละผู้ใหญ่ที่ท่านได้มาเห็นพี่น้องประชาชนคนในถิ่นฐานถ น, นนหนทางท่านก็ใจ มีปากมีเสียงท่านได้เห็นหลวงพ่อว่าผู้ใหญ่มาสู่ถิ่นฐานบ้านของเราเนี่ยถือว่าเป็นมงคลมหามงคลยิ่ง่อย่างที่ทูกลกระหมอ่อมที่พระองค์เสด็จมาพักประทับอยู่ที่วัดของเราที่ตาหนักที่เราจิตที่ตำหนักของพระองค์ท่านท่านมาหลายครั้งเสด็จมาหลายครั้ง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 คือทำมันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนต้องปาไลเช็กอย่างเนี้ยคือการพูดอวดโกหกอย่างรุนแรงต้มตุนอย่างรุนแรงโกหกอย่างรุนแรงขาดจากการเป็นพระได้นี่แหละไม่ใช่ว่าการพูดี่ไม่เป็นลมเป็นแรงก็จริงอยู่แต่ว่าเป็นพิษเป็นภัยอย่างร้อยแรงในหลักของพุทธศารรสนาะฉะนั้นขอให้ฝากไว้กับพวกเราคณะสัตธาติยมลูกหลาน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 คุณนายเนี่ยได้มาแล้วก็เพื่อใครเพื่อพี่น้องประชาชนท่านทรงเคราะห์อนุเคราะห์นี่แหละพ่อบ้านแม่บ้านพวกเราก็เป็นลูกเป็นหลานขอให้ทำตนให้เป็นคนดีสรุปแล้วแต่ลุงพ่อเองก็เป็นห่วงจังหวัดอุดรเหมือนกันแต่ถ้าได้ยินทางตำรวจเขาบอกว่ า, วาในทินฐาน แดนติดลำแม่น้ําโขงเนี่ยโดยมากยาบ้าดทะลักมาทางนี้หลวงพ่อเองเป็นหลวงปู่หลวงตาในท้องถิ่นหลวงพ่อเองก็ได้สะลุ่งเหมือนกันเออลูกหลานเอยให้สำรวมระวังอย่าไปเห็นแก่เงินแก่ทองแล้วก็ทำร้ายทําลายประเทศชาติบ้านเมืองเนอลูกหลานเนอะให้สํารวมระวังเนอไม่ใช่ว่าจุดเล่าเผาเรือนแล้วก็มา ปลูกพริกปลูกเขือปลูกฟักแฟงแตงกวาเออมันไม่คุ้มค่ากันนะอ่าใครแค่ว่าเราเออจูดเล่าเผาเลือนฮช่จูล่ะจูดเล่าเผาเลือนสมัยเล่าคืสมัยก่อนคือเล้าเลยยุ่งข้าวนั่นแนหะคนโบราณทางอีสานเล่าข้าวเล่าข้าวเนี่ยคือยุ่งข้าวเนี่ย เ, เผายุ่งข้าวเผาเลือนเอ่แล้วก็มาปลูกฟักแฟงแตงกวา เ, เพื่อจะนํามาซื้อมากินมาขาย มันไม่คุ้มค่ากันเพราะเหตรเพราะว่ายุ้งข้าวกว่าดีบ้านเรือนกว่าดีมีคุณค่ามากกว่าฟักแฟงแต่งกว่านี้ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าหาว่าพวกเราไปขายไปทําร้ายทํารายประเทศชาติอย่างนั้นมันเสียหายมันถูกกับใครใครจะรู้หรเ อ, อเพราะนั้นหลวงพ่อเองในฐานะเป็นหลวงปู่หลวงตาในท้องถิ่นหลวงพ่อก็พยายามบอกกล่าว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 จังหวัดอุดรขันทชิมมาที่อยู่ในใต้ปกครองของท่านผู้ว่าให้สํารวมระวังสรุปแล้วอันนี้หลวงพ่อเป็นในฐานะลูกปู่ลุงตาถ้าจะว่าไปแล้วก็ในหลักธรรมคาสอนในทางพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าทิศหกทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องบน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 นรกสวรรค์มีจริงนะตายแล้วไม่ศูนย์นะตายแล้วเกิดอีกนะลูกหลานนะในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์ไม่ต้องคิดเดาเอาไม่ต้องคาดคะเนไม่ต้องคาดการให้เรานั่งสมาธินั่งสมาธิเหมือนพระประธานนั่ง่อนั่งเสร็จแล้วก็หลับตา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 แต่โลกทางหลายเขาบอกว่าเขาเห็นแต่สมองแต่เขาไม่เห็นตัวผู้มาใช้สมองเนะ่ยเขามองไม่เห็นแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนะ่พอท่านนั่งสมาธิจิตใจสงบแล้วท่านรู้ได้ว่าคนที่มาใช้สมองนะ่คือใจคือมโนเ อ, อหรือว่ายินวิญญาณหรือผู้รู้มโนปุพังคมาธรรมามโนเสรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วด้วยใจ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 ล้อมันหลุดอย่างนี้ผลที่สุดโซโฟเฟอร์ก็ไม่รู้จะทํำยังไงจะซ่อมก็เท่านั้นเท่เนี่ยมันมันซ่อมไม่ได้เข้าอู่เขาก็อโอ้ยซ่อมไม่ได้แล้วมันอายุมากแล้วแก่ขนาดนี้รถใช้มานานแล้วอซ่อมไม่ได้ไม่ไม่คุ้มค่าแล้วอันนี้ก็คือรถตายแต่รถตายแล้วจะทํำยังไงโซโฟเฟอร์จะไปเฝ้ารถก็ไม่ใช่เปน็นนั่งเฝ้ารถก็ไม่ใช่บนรถมันตายแล้ว ไปตากแดดตากฝนก็นไม่ได้เพราะรถมันตายแล้วมันเสียเลยเนีผลในสู่เขากล้าข้าพงยาเนี่ยแหละคำว่าลากเข้าพงยาคำนี้ก็คือเอาไปเผาไฟเอาไปบรรจุในหงซวยเนี่ยอันนี้ก็คือเอาไปเก็บไปแหละแต่โซเฟอร์แหะสิเนี่ยแล้วโซเฟอร์จะออกไปที่ไหนโชเฟอร์จะไปเฝ้าอยู่ที่นั่นก็นไม่ได้โซเฟอร์ก็ต้องออกนะสิออกจากร่างนี่แหละเที่ยวไปปฏิสนธิ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 ชาลพุชาันต ร, รสังเสตชะ เ, เกิดในเท่าใครก็คือใครว่าที่หมักหมมที่หมักหมมกับใครว่าที่น้ํามีแฉะอย่างไรสัตว์มันไปเกิดเองไม่ไปเกิดมันไปเกิดในสิ่งที่หมักหมมสั่งสิ่งที่แฉะอันนี้ว่าสังเสตชะโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นเกิดผุดขึ้นกับเหมือนกับเทวดาหรือว่าสัตว์บางตัวที่ไม่มีสิ่งที่มันไปเกาะ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 แต่ว่าหัวของมันเนี่ยังไปติดยังไปติดควันยังเป็นเป็นใบไม้ติดต้นโกธาอยู่นจะไมเป็นเด็กไม่รู้กี่ครั้งเรียกเด็กมาดูนี่ดูซิเนี่ยมันกระดุกกระดิกได้แต่ว่าใบไม้ตะนี้มันไปติดกับต้นไม้อยู่อันนี้ีะว่าถ้าจะเปรียบเทียบอีกส่วนหนึ่งที่ให้เห็นก็คือโอปป า, ปาติกะวิญญาณไปกกเกาะในใบไม้นั้น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 ตายสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทำไว้ในอดีตนะโมกขาลาตายสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทำไว้ในอดีตพระสงฆ์ทางหลายก็ถามว่าอดี ต, ตกรรม น, นพระโมกขาลาทำอันไหนไว้หนอพระเจ้าค่ะพระโมกขาลาสมัยก่อนเป็นหนุ่มแล้วก็ไปแต่งงานได้ผู้หญิงที่ไม่ดีาจากนั้นก็หาเรื่องใส่พ่อแม่ที่ตาบอด ผลในสุดโมกขาลากันเลยเดืฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตนเองชาตินั้นแหะเป็นอนันตริยกรรมฆ่ามารดาฆ่าบิดาอทําบาปหนักบาปกรรมตันั้นจึงตามสนองโมกคลาตายไม่รู้กี่พ่กี่ชาตินั้นถ้าว่าโมกคลายังมีชีวิตอยู่ทั้งยังไม่พ้นทุกนะยังไม่หมดกิเลสในชาตินี้อถ้าโมกคลาลงมาเกิดอีกโมกคลาก็าคงจะถูกฆ่าอีกแต่บัดนี้โมกคลา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 มกรรมตัวนี้ก็ตามไม่ถึงนี่แหละหมดเป็นโอโหสิกรรมกรรมให้ผลสําเร็จยจบแล้วนี่แหละในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราได้ศึกษาได้ค้นคว้าศึกษาลงมือปฏิบัติแล้วเราจะรู้ได้เห็นไดเ้เพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ใกล้ๆเหมือนกันทํายังไงจึงไหวอย่างนั้นอา้าวนั่งสมาธิดูสิ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 วันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งอัตมาภาพได้กล่าวสำโมธนิยกถาเพื่อสรองเสริมให้พวกคณะสัตยาญาติโยมท่านทั้งหลายได้นำไปคิดพิจารณาการกรองตั้งไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลต่อไปคณะสงฆ์อนุโมทนาให้พรวันเกิดของคุณนายณวันเน่วันเกิดคุณนายท่านปูวาและคณะ